ดูนิมิตในร่างกายได้ความรู้แจ้งในขณะที่จิตนิ่งสว่างอยู่ใน่ามกลางของร่างกายความสว่างของจิตจะพุ่งออกมารอบๆเราจะรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ใน่ามกลางแห่งความสว่างแต่ภายในดวงจิตนั้นสามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในทั่วหมดในขณะจิตเดียวเรียกว่ารู้อาการ32